เมคิยสูตรว่าด้วยพระเมขิยะ 3. ส, สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะจาริกาบรรพศเขตเมืองจาริกาสมัยนั้นท่านพระเมขิยะเป็นอุปทาของพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นแหลท่านพระเมขิยะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนณนะที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ปรารถนาจะเข้าไปยังชันตุคามเพื่อบินทบาทพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมกียะเธอจงกําหนดเวลาที่ควรณนะบัดนี้เถิดครั้นเวลาเช้าท่านพระเมกียะครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวร เข้าไปยังชันตุคามเพื่อบินทบาทกลับจากบินทบาทหลังจากชันอาหารเสร็จแล้วเดินไปตามฝั่งแม่น้ำกิมิกาลานาขณะที่เที่ยวเดินพักผ่อนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำกิมิกาลานั้นได้เห็นป่ามะม่วงที่งดงามน่ารื่นรมจึงมีความคิดดังนี้ว่าป่ามะม่วงนี้ช่างงดงามน่ารื่นรมจริง เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรของกุลบุตรผู้ต้องการบำเพ็ญเพียรถ้าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตเราเราจะกลับมาบำเพ็ญเพียรในป่ามะม่วงนี้ต่อมาท่านพระเมกียะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายอภิวาตแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประธานว่าโรกาดเมื่อเช้านี้ข้าพระองค์ครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปยังชันตุคามเพื่อบินทบาทกลับจากบินทบาทภายหลังฉันอาหารเสร็จแล้วเดินไปตามฝั่งแม่น้ำกิมิกาลาขณะที่เที่ยวเดินพักผ่อนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ากิมิกาลาได้เห็นป่ามะม่วงที่งดงาม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 ข้าพระองจะกลับไปบำเพ็ญเพียรในป่ามะม่วงนั้นเมื่อท่านพระเมขียะกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับท่านดังนี้ว่าเมขียะเราอยู่คนเดียวเธอจงรอจนกว่าภิกษุรูปอื่นจะมาแม้ครั้งที่สองท่านพระเมขียะก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ พระผู้มีพระภาคไม่ทรงมีกิจที่ต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกทั้งไม่มีการสั่งสมกิจที่ทำแล้วส่วนข้าพระองค์ยังมีกิจจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกทั้งยังต้องสั่งสมกิจที่ทำแล้วถ้าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตข้าพระองค์ข่าพระองค์จะกลับไปบําเพ็ญเพียรในป่ามะม่วงนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามเมฆิยะ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 ทั้งยังจะต้องสั่งสมกิจที่ทำแล้วทั้งยังจะต้องสั่งสมกิจที่ทำแล้วถ้าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตข้าพระองค์ข้าพระองค์ก็จะกลับไปบำเพ็ญเพียรในป่ามะม่วงนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมขิยะเมื่อเธอพูดว่าจะไปบำเพ็ญเพียรเราจะพึงว่าอะไรเธอจงกำหนดเวลาที่สมควรณนะบัดนี้เถิด ลำดับนั้นท่านพระเมขคียะลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำปรททักษินแล้วเข้าไปยังป่ามะม่วงนั้นอาศัยป่ามะม่วงนั้นนั่งพักกลังวันอยู่นโคนต้นมะม่วงต้นหนึ่งเมื่อท่านพักอยู่ที่ป่ามะม่วงนั้นบาปอากุศลวิตตกทั้งสามประการคือกามวิตกความตรึกในทางการพยาบาทวิตก ความตรึกในทางพยาบาทวิหิงสาวิตกความตรึกในทางเบียดเบียนเกิดขึ้นโดยยากครั้งนั้นแหลคท่านพระเมขิยะได้มีความคิดดังนี้ว่าหน้าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏเราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาแท้แต่กระนั้นก็ยังถูกบาปอากุศลวิตกสามประการคือกามวิตก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 บาปอากุศลวิตตกสามประการคือกามวิตกพยาปาทวิตกวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นโดยมากข้าพระองค์จึงมีความคิดดังนี้ว่าน่าอัศจรร์จริงไม่เคยปรากฏเราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาแท้แต่กระนั้นยังถูกบาปอากุศลวิตก สามประการคือกามวิตกพยาปาทวิตกวิหิงสาวิตกรุมร้าวจิตได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมคิยะทำห้าประการย่อมเป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้าทำห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดีมีเพื่อนดีนี้เป็นธรรมประการที่หนึ่งที่เป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตที่ยังไม่แก่กล้า 2. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกเพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจร อ, อยู่มีปกติเห็นภายในโทษแม้เล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย นี้เป็นธรรมประการที่สองที่เป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตที่ยังไม่แก่กล้า 3. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ได้กถาเป็นเครื่องขัดเกลาอย่างยิ่งที่เป็นสัพยะแห่งความเป็นไปของจิตคืออัปปิดชกถาสันตุติกถาเปาวิเวกกถาอาสังสักขกถา วิริยารมภกถาศีลกถาสมาธิกถาปัญญากถาวิมุตติกถาวิมุตติยานทัศนกถาตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากนี้เป็นธรรมประการที่สาที่เป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้าสี่ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปราศจกความเพียนเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดเป็นผู้มีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายนี้เป็นธรรมประการที่สี่ที่เป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้าหภิกษุในธรรมวินัยนี้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 คือจักเป็นผู้มีศีลสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายพิกษุผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังได้ข้อนี้คือจักเป็นผู้ได้กระถาเป็นเครื่องขัดเกลาอย่างยิ่งที่เป็นสัพเยะแห่งความเป็นไปของจิตคืออปิจกขาวิมุตติยานทัศนกถา ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากพิกษุผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังได้ข้อนี้คือจกเป็นผู้ประรบความเพียรไม่ทอตุระในกุศลธรรมทั้งหลายพิกษุผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังได้ข้อนี้คือจกเป็นผู้มีปัญญา ให้ถึงความสิ้นทุกขโดยชอบเมขียะภิกษุนั้นดำรงอยู่ในธรรม5ประการนี้แล้วพึงเจริญธรรมประการให้ยิ่งขึ้นไปคือ1ึ่งพึงเจริญอสุภะเพื่อละราคะ2พึงเจริญเมตตาเพื่อละพยาบาท3พึงเจริญอาณาปานสติเพื่อตัดวิตก4 พึงเจริญอ น, อนิจจสัญญาเพื่อถอนอสมิมานะเมคียะอนันตสัญญาย่อมปรากฏแก่ภิกษุผู้ได้อนิจจสัญญาภิกษุผู้ได้อนันตสัญญาย่อมบรรลุนิพพานที่ถอนอสมิมานะได้ในปัจจุบันเมคียะสูตรที่สามจบ